อัลลิลลาฮฺมิล أشايبان ا ل ر ّ ج ي ولا تأخذكم بهما رفطتم في دين الله إ ن ك ن تمتكم ن و ن َ في الله ونحو الآخرة. ولا تأخذكم بهما رف. ف في د ي ن لا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر و َ ل ي ش ه د على ما قايت ف ا م ن المدين و ل ي ش ه د ذ ا ب ه مَا پ َ و ِ ي ُ م ن ا ل م م ي ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ه ُ و َ ن س ت ع ي ن ه و َ ن س ت غ ف ر ه و َ ن ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و َ م ن س ي ئ ا ت ِ أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ه ا ل ل ه ف ل ا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ا ه ا د ي ل ه اللهم بك أصبحنا وبك أ م س ั ن, وب ن ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي ร ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วะวะส ميع العليم رديد بالله رب ّ بال ا وبالإسلام دينا ً وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سمي ع وعافني في بصري س ب ั ا ن ا ل l l وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومدار كلماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ร่วมนมาซูบะที่มัสยิดซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์ก่อนอื่เราต้องกำลึกนะครับ ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลารำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการอ่านอัลกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการนมาดทำนมาดรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่งอยู่ในบ้านของ Allah. อัลลอฮ์ยัติกาฟรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการทบทวนอัลกุรอานสักอายะหนึ่งหรือสองอายะแล้วก็ดูสับ แต่ละคําแต่ละคำก็อ่านอิสลานทําให้หัวใจของคนที่ทําแบบนี้นะ่ะหัวใจสงบหัวใจสงบดีไหมดีหัวใจที่ไม่สงบเนี่ยไม่ดีแล้วก็คนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะว่าวิธีการทําหัวใจให้สงบนั้นต้องผ่านการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละถึงจะหัวใจสงบได้ พูดอ่นไหนยะไหนอ่ะที่บอกว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วหัวใจสงบอัลลอฮ์จะกล่าวบอกว่าอัลลบิซริลลาฮิตัดมาอินนุลกุลูบอัลาแปลว่าจงรู้ไปเถิดบิซิริลลาด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นตัดมาอินแปลว่าหัวใจสงบกุลูบแปลว่าหัวใจตัดมาอินนุลกุลูบทำให้หัวใจเนี่ยสง บ, สงบถ้าหัวใจสงบเนี่ย จะดีมากๆเลยธนะบางคนนี่หัวใจไม่สงบอลัลลอฮ์เสียโอ้หนหนักอ ก, ห น, กหนักใจมีปัญหาตามไปหมดเครียดถ้าหัวใจสงบแล้วเครียดไหมไม่เครียดนะครับขอบคุณอะล้านะที่เราได้ทบทวนกุล่านสูร้ออัลมุมินูน อ, อัลลอฮอักบัตจบมาแล้วมีประมาณกี่อายะนะเราสำรวจดูซิหนึ่งรอ้อยเท่าไหร่ หนึ่งร้อยสิบแปดอายะทุกอายะนะมีดีหมดมีความหมายดีหมดก็ง <c> น <oughs> ั้ผมขอจะชี้ให้พี่น้องเห็นนะอายะที่เจ <c oughs> ็ดสิบหกอายะที่เจนะ็ดเจ็ดสิบหกเนี่ยในสุรมุมินูุที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าล้วก็อะฮุสนาฮุมบิลอาซาบ ฟะมัสตะกานูลิรับบิห์มว่าไม่จะดรอเงอนอายะนี้เตือนอ่าเตือนเตือนเตือนลองเปิดดูนะอยายะที่76ของสุราห์อัลมุมินูนอายะเดียววันแล้วก็จะเอาข้อเสนอหุ้มแปลว่าแท้จริงเราได้ลงโทษพวกเขาเหล่านั้น อคติหน้าหุ่นบิลอาญเราได้ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นให้มีความลำบากให้มีมุสีบ้างให้มีความลำบากให้มีการเจ็บไข้ใดป่วยที่คำอธิบายนะคนที่เจ็บไข้ใดป่วยคนที่ลำบากเนี่ยไม่ใช่มาเองไม่ใช่เกิดขึ้นโดยความบางับงเกิดขึ้นโดยความบังเอิญไหมไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้ แต่ท่านใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายใครเงินน้อยเงินขาดใครที่มีปัญหาพี่น้องปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะ่อัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยสังเกตฟามัสตากานูคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบแล้วขาวไม่อิสตากานูแปลว่าขาไม่ไรนะขาไม่ไม่ทอมต้น ไม่นอบนอบ้อมไม่ทอมตนยังกังอยู่เลยยังดืออโลย อ, อยู่เลยว่ามายาตะดรอร์และพวกเขาไม่เคยขอดูอาต่อรอด้วยให่มไหมสังเกตที่อาญานี้สอนใครสอนพวกเราทั้งหมดนี่แหละนะครับเวลาได้รับความลำบากแล้วเนี่ย กับเย่อยิ่งจองของเมียงอวดดีไม่เคยสู้หยุดไม่เคยเข้าหาอัลลอฮ์ไม่เคยคิดที่จะกลับเมื่อกลับตัวยังดันทุรังทำชั่วเหมือนเดิมอีกและทำตรงกันข้ามกับอายานี้ทาไงเวลาจะรับความลาบากเจ็บไข้ใดป่วยต้องได้ข้อคิดต้องได้ข้อคิดเออัลลอฮ์ให้ฉันป่วยทาไมอัลลอ์ให้ฉันมีปัญหาเดือดร้อนทาไม อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นอย่างงี้ทาไมเอ๊ะธรรมราชาฉันก็แข็งแรงดีแล้วป่วยทําไมเอ๊ะเมื่อก่อนเงินทองดีเดี๋ยวนี้มันหายไปเยอะเหลือเดือนนิดหน่อยน่ ย, นยมันต้องนึกเอาหรือว่าเราเนี่ยดีแต่ว่าพยาเราทําไมอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างงี้ล่ะอยู่ครอบครัวเดียวกันน่ะอะทําไมลูกเป็นอย่างงี้ทาไมสามีเป็นอย่างงี้ต้องต้องนึกอ่ะเนืออัลลอฮ์สอนให้นึกพักุลอาณาญาเนี่สอนให้นึกอ่ะ วัลละก็ได้อาคฤษณาบิลอาซาเมื่อเราได้ทดสอบได้ลงโทษเขาเหล่านั้นบิล اب, อาซาปอาซาแปลว่าการลงโทษแต่นี่เราพูดว่าถ้ามุมินกียกว่าบาล า, าถ้าคนกราเฟเรียว่าการลงโทษถามว่าอัลลอฮ์ลงโทษทำไมอ่ะลงโทษแล้วเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้สานึกตัวลงโทษแล้วคำให้เขาได้นอบนอบ้นอมถ่อมตัวต่อละ ฝึกให้เขาขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือมีปัญหาเดือดร้อนเงินทองขาดแค่นหรือมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นข้อเตือนใจเราต้องได้รับข้อเตือนใจแล้วก็ต้องนอบน้อมต้องเข้าหาอัลลอ์ต้องขอดุทาศต่ออัลลอฮ์ุบฮานาหูวาตาละอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหลายคนได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีหมดนะ ส่วนใหญ่นี่นะกลับตัวกับตัวกันหมดส่วนใหญ่นะมุสลิมนะคนที่ฟังศาสนาอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ดันทุรังเขาจะไม่ไม่ทําบาปเขาจะไม่ทําชั่วเขาจะเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเต้าบ้าตัวกลับมาหาอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาล้จากอายะจากคุรานในสุรที่แล้วอีกเรื่องหนึ่ง อัลลอฮ์สอนอย่างงี้คนเนี่ยเกิดกี่ครัง้งตายกี่ครัง้งบางคนยังต่อผิดอยู่เลยนะเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวแต่อิคอมพิวเตอรอ่านที่ผ่านมาเนะี่ยสุลต์อัลมุมินูเนี่ยเตือนบอกว่าคนเนี่ยเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งเกิดครั้งแรกเนี่ยเนี่ยเกิดมาจากทองมะเรานี่ก็เกิดครั้งแรกเดี๋ยว ต้องตายตายครั้งนี้นะตายครั้งที่สองนะเอาครั้งแรกต า, ตายตัวไหนตอนเป็นดินตอนเป็นวิญญาณนั่นเขาเรียกว่าตายนะครับตอนอยู่ในท้องม่เรานี่ยเขาเรียกว่าตายใช่ไหมแล้วก็พอคลอดออกมาจากท้องม่อย่างที่คลอดมาตอนเนี้ยตอนนี้เราเกิดครั้งแรกเดี๋ยวเราจะตายอีกทีหนึ่งหลังใหญ่จากนี้ไปก็ตายตายครั้งนี้ตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นมาอีกทีหนึ่งในวันเจียรมานั่นก็เรียกว่าตาย เกิดครั้งที่สองฉะนั้นมุสลิมต้องเข้าใจว่าเรานี่นะตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งตอนนี้เราเกิดมาครั้งครั้งแรกนะจะต้องเกิดมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคีร์นี่เป็นความรู้จะอัาจะอัลนคุรานทั้งหมดอะไรอีกเรื่องหนึง่งไอ้ตอนเกิดเนี่ยอลัลลอฮฺสอนอย่างนี้ตอนเกิดมาการสร้างมนุษย์จะมีอยู่สี่แบบสร้างคนมานอยู่สี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างนาบีอาดัม ผ่านกนะันนไม่ผ่านอะไรเลยไม่มีพ่อและไม่มีแม่ยิ่งใหญ่ไหมใครใครใหญ่ไม่ใช่นบีอาดามใหญ่ใครใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สามารถสร้างอาดามมาโดยไม่มีพ่อและไม่มีแม่สร้างมาจากดินเรื่องที่สองพญาของนบีอาดามโตฮาวะไม่ใช่ฮาวานะฮาวะในภาษากุรานโตฮาวะเนี่ยสร้างมาจากผ่านผู้ชาย ไม่ผ่านผู้หญิงคือผ่านพ่อผ่านนาบีอาดัลมแลล์มาจากซิโครพนนบีอาดัมมาโคลนิ่งเป็นเป็นโตฮ ว, วาแบบที่สามสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่ออันแบบที่สามนี่แบบที่สีเนี่ยพวกเราในปัจจุบันเนี่ยผ่านทั้งพ่อแล้วก็ผ่านทั้งแม่แต่นิกาเริย ม, ม, มันอีกมัอีประเด็นหนึ่งนะ ถ้านิกายถูกต้องอัลลอฮ์ดีได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าไม่นิกายไปอยู่กันก่อนล้วทําดินะกันก่อนได้ลูกมานั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดแะนด้านการสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่กี่แบบนะสี่แบบไม่มีพ่อไม่มีแม่ผ่านพ่อแล้วก็ผ่านแม่แล้วก็ผ่านทั้งพ่อแล้วก็ผ่านทั้งแม่มีอยู่สแบบด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ได้รับจากอัลกุรอาน วันนี้มาสุราที่ยี่สิบสี่เรียกว่าสุราตุ น, นดูดคำว่านูตเนี่ยไม่แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอะไรนะแสงสว่างอ่าแปลว่ารัศมีนี่รัศมีทั้งหมดเนี่ยใช่ไ่มอัลลอฮ์สร้างอะไรบ้างที่มาจากรัศมีนี่เป็นเป็นข้อเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเลยนะรัศมีนี่อัลลอฮ์สร้างอะไรนะสร้างมาอิกะ นี่สร้างรัศมีนี่มาจากมาลายกาเอ้ยสร้างมาลายกามาจากรัศมีสร้างมนุษย์มาจากดินสร้างไสตอนมาจากไฟสร้างยินมาจากเปลวไฟเปลไนะเวปลไฟน่ะเขาบอเปลวไฟเนี่ยร้อนสุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีสีส่วนใหญ่มันจะร้อนน่าดูเลยตัวเงว่าสิ่งที่เราสร้างมาเป็นมักลูลกเหมือนเรานี่ยนะจะเรามองไม่เห็นมีอยู่สามรายการ หนึ่งไซตตอนสองมาลายิกะสามยินสารายการนี่เป็นมรรคลูกเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นนี่ น, นั่งอยู่กับเรานีนะมีทั้งยินแล้วก็ไซตตอนมาลายกิกานี่เต็มหมดเลยเนียนบีสอนอย่างนี้ขณะที่เรานั่งอ่านอัลกุรอานก็อยู่เป็นฮัละก้อกุรอานเขาเรียกว่าฮัละก้อกุรอานแบบยามะเนี่ยนั่งตั้งกลุ่มใหญ่ๆนี่นะมีมาลายกิกามาทำสี่รายการ ในการที่หนึ่งเอาปีกเนี่ยมาคุมมาไว้ดีไหมเห็นไหมไม่เห็นแต่เชื่อไหมผมเชื่อพราะเชื่อแล้วมนสบายใจอ่ะเนี่ยมีปีกมลาอิกาคุมเต็มไปหมดประการที่สองนะมาลาอิกายืนให้เกียรติเน ย, ยืนให้เกียรติหมดเลยอ่ะเนี่ยยืนให้เกียรติคนที่นั่งอ่านคัมภีรยืนอย่างเงี้ยใช้ตอนเข้าไม่ได้อ่ะยืนชิดชิดชกัชชชนเต็มไปหมดเลย ข้อที่สอัลรอฮ์มะอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบนี่ไงมาจากอัลลอฮ์ตาลาหมดเลยนะคนที่นั่งอ่านคูรานอ่านเป็นเจมาอาเป็นกลุ่มๆเนี่ยใจมันสงบแล้วมีคนสอนอธิบายอธิบายอธิบายอธิบายใจสงบไหมสงบบางคนนั่งหลับใช่ไหมนี่ไงพรใจสงบนี่แหละใช่หรือไม่ใช่ี่ดาด้วยชงไปด้วยยานเนี่ยฉะนั้นนั่งหลับนี่แสดงว่า ชายตอนอธิบายยังไงถูกไหมขณะที่เขาสอนศาสนากันอยู่นั่งหลับหลับอย่างนี้ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์มาจากอะไรไมาจากชายตอนนั่งฟังครู ด, ดู ว, ว่านั่งหลับนั่งอ่านต้นสีครูอานนั่งหลับนั่งเรียนหนังสือนั่งหลับไอหลับอันนี้ไม่ใช่เป็นเนื้อมานะเป็นความเลวที่มาจากชายตอนความการหลับที่ดีที่สุดเรากลับมาจากไหนนะ จากไหนก็ตามแต่มีข่าวเข้ามาเรื่องไม่ดีหมดเลยนะถ้าพอเห็นหมอนอาบน้าน้ำมาดแปรงฟันอานน่นอานนู่นอ่านนี่ลูกเนื้อลวกตัวพี่นอนพอถูกหมอนรับนี่เขาจะว่าไงนะที่มาจากอัลลอฮ์จริงๆแหละนี่แหละเข้าใจนะตัวลงว่าแล้วก็เรื่องเรื่องที่สีขณะที่เรานั่งอ่านตับซีกกันอยู่คันแล้วก็อ่านก็นอยู่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราเนี่ยบนชั้นฟ้า อัลลอ์ลาให้ใครฟังให้บรรดามาเิก้าที่อยู่รอบๆอัลลอ์เนี่ยอัลล์าดาอดูบ่าวของฉันกลุ่มหนึ่งนั่งกันตั้งหลายร้อยคนเนี่ยใช่ไมกาลังนั่งอ่านภาพมหากรรีอัลกุรอานของฉันอยู่เล่าให้ใครฟังนะเล่าให้มาลกาฟังแบบมีทีวีข้างบนอีกช่องนึงอ่ะเามาเก้าดูโอ้ดูกันเต็มหมดเลยละทำดูเร น, นนะะพวกเรานั่งอยู่ที่บ้านของอัลล์สุบฮานะูวาตาลาฉะนั่ยนนั่งหลับเดี๋ยวภาพมนะันออกไปมันเสียข้างบนอ่ะอ้าว นี่โต๊ะได้นั่งรัได้ยังไงเนี่ยอย่างยีบเป็นต้นนะครับ <c oughs> นัซูร่าอันนูตแปลว่าสุซราะไรนะเจ้รัสมีถูกประทานที่ไหนกุูอ่านก็บอกไว้เลยนะตัองหัวหวมันอาจะบอกไว้เนะ น, นี่ยนัซราะไรประทานที่มาดานีนี่ยประทานที่นครมาดีนะตกต่างกันนะกุูอ่านที่ประทานที่มักกะแต่ประทานที่นครมอดิน่านะ สอนไม่ไม่เหมือนกันสอนที่มักการเนี่ยเรื่องอักีได้หมดเลยเรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อความเชื่ออยู่กี่ปี13ปีนะแต่ที่พอประธานที่นครมา ด, ดีนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเรื่องเรื่องหน้าที่ผุกรมผู้กรมผู้กรมผู้กรมผู้กรมวาให้ทํานั่นให้ทำนี้นทํานี้ทํานั่นดีไหมเนี่ยทาให้เราสบายใจว่าเออถ้าไปเจอสุราไหนที่ถูกประธานลงมาจากอะไรนะจากชา้นไฟ ประทานที่นครบดีนะส่วนใหญ่จะเป็นหลักการาหลักทำนั่นให้ทำนั่นอย่าทำนี่อย่าทำอย่างนี้ให้ทำแบบนี้นี่อัลลอฮฺเมตตาสั่งเราให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานนะทีนี้สซนาอุมัรเนี่ยไซนาอุมารนี่เป็นคอลีฟะคนที่เท่าไหร่คนที่สองตอนเป็นคอลิฟะเนี่ยท่านเขียนจดหมายนะ คือพ่อยังยิ่งคนในประเทศอิรักข้าราชการที่ประเทศอิรักเนี่ยส่งจดหมายบอกว่าอัลลิมูนิซาอากุมสุรตันนูรเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกนะประทัตบตราอย่ารอเดี๋ยวไซน่าอุมัดเซ็นชื่อด้วยบอกว่าส่งให้ชาวบ้านให้ข้าราชการชาวบ้านเนี่ยให้นํำสุรานี้ไปสอนภรรยาที่บ้าน ให้ผู้หญิงนี่นะผู้มุสลิมัตทั้งหมดนี่นะไปอ่านคุรานสุรานูษเยอะๆมีกี่อายาเนี่ยทั้งหมดนีมีประมาณประมาณกี่อายานะ64อายาเองค่อยๆอ่านไปนะครับอ่านสุรานูษนี่นะอ่านเยอะๆจะได้ความรู้โอ้โหเยอะไปหมดเลยทาด้านมุสลิมัตจะได้รู้ว่าหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยทําอะไรบ้าง นะครับให้อ่านสุรออนูดใคยสังนะความจริงเนี่ยไนาอุมัรนี่นะก็เอามาจากกูอ่านสุร้อ น, นี้และที่จะเรียกกันต่อไปเนี่ยนะบอกว่าเขียนจดหมายไปหาข้าราชการทุกคนเพราะภรยาเ็าอยู่ที่บ้านไม่เหมือนข้าราชการสมัยนี้มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาตก ง, งานหมดแล้วให้ผู้ชายเนี่ยนำสุร้อนูตเนี่ยไปสอนภรยาที่บ้านอัลลิมูแปลว่าจงสอนนิซาอุม สตรีของพวกท่านหรือผู้หญิงของพวกท่านสู้ระตานูศรสุรานูสุรัปแปลว่าบทนะครับบทอันูศเนี่ยให้ภรยาได้รับได้ฟังได้ยินได้นํำมาไปไปอ่านไปทบทวนแล้วก็หาความรู้อามาดูนะครับสุรานี้ถูกประทานในปีที่ห้านะฮิจรัตที่ห้านบีอพยศจากนาครมกักกะไปมารีนาปีที่ห้าเนี่ยประทานอา่าเรื่องนี้ เรื่องอะไรหน้าที่ต่างๆอย่าทำนั่นอย่าทำนี้ให้ทำนี้อลัลลอ์สั่งนะเอามาดูกบิสมิลลาฮิร็ะมานิรรหมันบิสมิลลาแปลว่าอะไรนะด้วยพระนามของอัลลอ์นะครับคำว่าบิสมิลลาเนี่ยก่อนจะทำอะไรก็ตามให้มุสลิมทุกคนทั่วโลกให้กล่าวพระนามของอัลลอ์ทุกครั้ง จะดื่มน้ำ <Coron> อ <as listeners> ่านว่าไงบิสมิลลาจะนอนบิสมิลลาจะใส่รองเท้าบิสมิลลาเข้ามัสยิดบิสมิลลาโอต้องอ่านบิสมิลลาตลอดรายกาเลยจะปิดไฟบิสมิลลาจะเปิดทีวีบิสมิลลาจะปิดหน้าต่างตอนเย็นเย็นบิสมิลลาอัลลอฮ์ต้องอ่านบิสมิลลาทุกรายการอย่าเป็นคนที่ไม่อ่านบิสมิลลาให้อ่านบิสมิลลาตลอดเวลาแปลว่าไรนะฉันขอ ทำงานชิ้นนี้ด้วยนามของอัลล h ์ด้วยการช่วยเหลือจากอัลล h ฮ์สุภานหูวะตาไเข้าใจนะออห ม, มวกใ ส, ส่ศีรษะอับิสมิลลาจะใส่เสื้อบิสมิลลาพยายามอ่านดวอาความจริงดวอาเฉพานะนมีไหมมีเอาดวอาสองสองกระจกอัลลอฮุมะกามาฮัซันตะคอลตีฟาฮัสซินคูลตีดูไมแปลว่าอะไรโอ้อัลลอ์ อัลลอฮ์สร้างรูปร่างหน้าตาของฉันเนี่ยสวยมากเลยเพราะฉะนั้นโปดทําให้ ม, มรารยาของฉันนั้นสวยเหมือนกับร่างกายที่อัลลอฮ์สร้างมาแค่นั้นต้องการคนที่ส่งกระจนและวอ่านอู๊ะบทนี้สม่ําเสมอนะมารยาจะงดงามเพราะเขาไม่ลืมตัวเองแลต้องปฏิบัติปรั บ, บปรุงมารยาของเขาให้เหมือนกับมารยาของท่านนาบีมุฮัมมัด ﷺ บิสมิลลาฮิร rahmanir r a h m แปลว่าผู้ทรงกรุณาปรานีอธิบายยังไงอัลลอฮ์มารบนโลกดุนยาทั้งหมดอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนมุมลินเป็นคนอีมานเป็นคนกาเฟตเป็นคนมุชริกเป็นคนกาฟิรินเป็นคนมุนาฟิกเป็นคนเลวๆอีกห้ากลุ่มอัลลอฮ์ก็ดูแลคนเหล่านั้นทุกคนแต่อัลลอฮิมผู้ทรงอะไรนะ ผู้ทรงเมตตาคำว่าเมตตาเนี่ยเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในวันอาคีรอมีสองโลกโลกดุนยากับโลกอาคีรอโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยคนนั้นจะเอาอ AH ัลลอฮ์ไหมเอาอัลลอฮ์จะกาบอ AH ัลลอฮ์ไหมกาบอัลลอฮ์จะทำชัริกไม่ทำอัลลอฮ์ดูแลหมดให้หม ด, หมดแบบเท่าเทียมกันทุกคนนะครับดีไมด่ดียังให้มากกว่ามุมินด้วยนะอย่างฟาโรหเห็นไหม ให้เยอะไหมเยอะกอรูณให้เยอะไหมเยอะมันคือผมก็พูดเรืกอรูณไป น, นิดหนึ่งที่เล่าแล้วนะมินตังมินตังมินตังอ่าเล่าเรื่อกอรูณนิดหนึ่งกอรูณเนี่ยเอาล้อให้รวยมากนะขนาดคนถือกุญแจเนี่ยเท่าไรเป็นชายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งถือกุญแจไขคังทรัพย์สมบัติของกอรูณนะ่ยถือไม่ไหว มากถึงขนาดนี้นะแต่เวลาพูดพูดผิดคิดผิดโดยไม่คิดว่าไงครับอินนามาอูตีตูหูอลาเอลมินอินดีนี่คิดผิดนะแล้วพูดผิดด้วยกว็รูนพูดเลย ว, ว่าที่ฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้เนี่ยมันมาจากเอลมุนความสามารถความรู้ปัญญาของฉันนี่เอาล้อเล่าภาษาเลยนะคิดผิด คิดผิดคิดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านช่องใหญ่โตที่ขี่กรุนสร้างเนี่ยคิดผิดว่านี่เป็นความสามารถของตัวเองเป็นภูมิปัญญาของตัวเองเป็นความรู้ของตัวเองที่ได้มาไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยไม่โยงกับอัลลอฮ์แต่เป็นไงรู้ไหมฟาคอซนาหูเราได้บิดารีฮ์อัลอัลดาเราให้แผ่นดินนั่นสูบตัวของเขาเอง สูบบ้านของเขาสูบคาร์หารของเขาลงไปอยู่ใต้ดินหมดเลยเพะอะไรครับเราคิดผิดเนี่ยแล้วก็พูดผิดด้วยฉันหามันเองอลัลลอฮ์ไม่เกี่ยวนี่ไงข้อเตือนใจที่ดีที่สุดฉะนั้นสอนเราควรจะเป็นมุสลิมทั้งหลายว่าใครที่มีความรู้อย่าตะกล บ, บุญนี่ความรู้เนี่ยอลัลลอฮ์ให้มาเรามีโอกาสได้มานะมาที่มัสยิดให้เวลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ให้อ มีโอกาสได้เป all ิดอ่านุรานอ่านอัลฮัมด <Yes. S 1> ุล <Yes. S 1> ิลละอัลลอฮ์ให้อย่าลืมอัลลอฮ์นี่งานเป็นต้องครับพราะคุรานสอนในต่าเป็นคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานหัวาเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเป็นผู้สร้างโลกใบนี้แต่เพียงผูวเดียวอันเชนี้คาว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีคาว่าปราณีเนี่ยอัลลอฮ์ทั้งมุสลิมมาใ่มุสลิมอัลลอฮ์ดูแลหมดเลย อัลลฮิแบว่าผู้ทรงเมตตาเมตตาเฉพาะคนที่มีศาสนาที่มีอีมานและมีอามันที่ิซอลและเท่านั้นในโลกอาคียะอ่ออิมานเพิ่มเลยพออ่านแล้วอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลอฮฺตาลาเมตตาครับอ่าต่อมาครับซูรอตุนอังัลนาว่าฟรดนา วَ أ َ ن ลลอฮ์นับ فيها อายา ل َบายนัด ك ะอัَลَคُุทําดักการَณَุรดุ ل อัลَอَ์นับและฟารบนาฮ์ว่าอัล ز َ ل ْ ن َ ا فيها อายาติมไบญัดลอัลลัคุมทะตะกะรูนอักษรคดยละเอียดไปน้องเอามาดูสับที่อคำเลยนะสู้รอดุลที่เรียกว่าสุรสุรนี่แหละสับเดิมอยู่ตรงนี้แหละสู้รอดุลมีตัวซีนตัววาวตัวรอตัวตาสู้รอดแปลว่าบทบทนี้นะสู้รอดุล นี่คือบทอก็ได้นี่คือบทบทหนึ่งอัลลอฮฺอักบะตท่านนั้นว่าคําว่าซูราะที่เราเรียกเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เรียกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครมากําหนดนะอัลลอฮ์สอเลยนะซูราะตุนนี่เป็นบทอันซาลนาฮฺอันซาลาแปลว่าได้ประทาคิดค่อยๆท ย, ย, ย, ยอยลงมาอ่าทยอยลงมาไม่ใช่ลงไม่จะส่งทวดเดียวสาสิบยึดจะไม่ใช่นะ ทอยอยลาทีละอายะทีละสองอายะรอยอายะสองรอยอายะ ท, อ ย, ทอยอยลงมาจากฟากฟา้าอนจันนเราได้ประทานลงมาัฟซอธิบายดีนะาบอกว่าอนจันนาหมายถึงถ้อยคาภาษาเนี่ยเช่น อ, อย่างเงี้ยบิสมิลลาเนี่ยมาจากชั้นฟ้าเลยนะ บิสมิลลาฮุ man, ma ja if, am, am, ja อะลายฮุมิมจักชันฟ้าอะลัยฮิบทิละคำละคำมาจากักชันฟ้าเห็นยังมาตายนะเอาชันฟ้าเนี่ยอธิบายยังไงคนที่จะเข้าเฝ้าอาลัลลอ์จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยใช้เวลาประมาณห้ารอปีเดินกลับมาอีกเท่าไหร่อีกห้ารปีตัวลง่าขึ้นลงใช้เวลาพ0 0ปีอา่านเราเกิดกี่ข้างอ่ะล้วก็ตายกี่ข้างอ่ะที่จะเข้าเฝ้าอาลัลลอ์ได้ อ๋อนี่อ่ถ้านึกตรงนี้อ๋อเราจะต้องให้เกี่ยวกับกุรอานนะแต่ละคําของอัลกุรอานสูเราตุนแปลว่านี่คือบทบทหนึ่งทําไงครับอันซาลาฮ์เราได้ประทานแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําลงมาจากชานฟาต่อมาครับว่าฟารบนาฮา์ฟารบแปลว่าเราได้กําหนดเราได้กําหนดให้เป็น กฎข้อบังคับนี่เนี่ยอย่างไงได้อย่างก็วาจิฟฟารดูมันดูมุสตาฮพวกนี้นี่นะมาจากอัลล์ทั้งหมดน่ะสับเหล่านี้มาจากอัลล์ทั้งหมดเลยอัลสลามะอะลัยกุนี่มาจากอัลล์ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลับนี้มาจากอัลล์ทั้งหมดไม่จะคิดเองครับบอกผ่านจิบรีนให้จิบรีนนำมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัด สลลอะัลลฉะนั้นภาษาที่เราใช้เปน้องครับอัลฮัมดุลิลละอัลสลามาอัลัยกุมโอ้มาจากอัลลอฮทั้งหมดภูมิใจไหมภูมิใจว่าเราเนี่ยใช้ภาษาเดียวกันกับอัลลอสุขฮานาหูวะตาลต่อมาครับวาฟารอดนาเราได้กำหนดให้เป็นข้อบังคับเป็นวาจิบเป็นฟาดูเป็นมุสตะฮับอะไรนะ เป็นมันดุกพวกนี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับมาจากชาฟฝาวะอันจนะแล้วก็พูดอันจนะกี่ครั้งอ่ะสองครั้งทําไมพูดสองครั้งเพื่อเน้นให้รู้ว่ามาจากอัลลอฮ์จริงๆนะมาจากอัลลอฮ์จริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเรื่องใหญ่นะมันจะดีกับตัวท่านเอง น, นั่นแหละจะท่านคนที่อ่านกุรานแล้วเข้าใจอย่างนี้ในพินาอิมานมันเพิ่มอ่ะ อ่านดูสิอัลลอฮฺประทานอะไรมาพี่นอ้องอะฟีฮาในคัมภีร์คุณอ่านนั่นอาญาตินอาญ า, า, าตินเป็นว่าเครื่องหมายหรือองค์การแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอัลลอฮฺประทานลงมาครับให้กับมนุษย์เพราะเมื่อก่อนมนุษย์ไม่รู้เช่นนบีมุฮัมมัดนี่อ่านหนังสือออกไหมไม่ออกเขียนหนังสือได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมเวลานาบีพูดจะทุกคนงงหมดเลยน่ะเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหน ก็ผ่านวะฮีนะมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดส ล, ลลัลอะยูวะสซัลลัมมีสาวบ้านนบีหลายคนมาถามท่านนบีเรื่องเฮตเรื่องประจำเดือนผู้หญิงมาถามว่าประจำเดือนเป็นยังไงอะ่ะยกตัวอย่างนี่นะเพราะคนสมัยนั้นเนี่นะเวลาภรรยามีประจำเดือนนี่ะก็ทำอย่างนี้สามีจะอยู่นอกบ้านภรรยาอยู่ในบ้านกินข้าวมอเดียวกันไม่ได้ นอนบนเตียงเดียวกันไม่ได้จับมือถือแขนกันไม่ได้ทั้งทีรพยาสามีกันนะเวลาประจําเดือนมาสามีต้องไปอยู่นอกบ้านน่ะถ้าสมัยนี้ดีไหมโอ้โหชอบเลยตอลแรกเราสาไว้ยแต่สาไวยพยาพอประจําเดือนหมดพุ้นจะเข้าบ้านได้ใช่หไหมอยู่ข้างนอกอะ่ะเอาล้ออักขบาดมันเป็นยังไรมันเป็นกฎที่อุดหนุน ข อ, อน บ, บีมุฮัมมัดถูกต่างตั้งให้เป็นน บ, บีมาก็ามาถามเรื่องนี้แหละยวส่งมาถามอ่ายูนี่เก่งนะเพราะเขาอ่านคอมพิวเตอร์มาก่อแล้วอ่านคอมพิวไบเบิลมาก่อนแล้ ว, ลวใช่ไหมนี่พบอ่านพบน่ยูซุฟเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูแปลว่าบ่าวของอ AH, ัลลอ์แปลว่าคนรักของอ AH. ah ัลลอฮ์อัลลอฮ์วัด อาจจากตำราหลายๆเล่มไปเจออัลลอฮฺอักบะดยูซุฟไม่ใช่ภาษาหรับ <laughs> เป็นภาษาฮิบรูไอ้บรอนี่แปลว่าคนรักของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบใช่ไหมคำแปลดีไหมดีหมดเลยัมดีแล้ว่นนั่นนั่นไม่ใช่ภาษาหะับนะยูซุฟเนี่ยภาษาอะไรนะภาษนะาฮิบรูนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับวะอันจัลนาฮะเราได้ประทานมันลงมา อายะตินอัลลอฮฺแปลว่าอะไรน ะ, อ, ะองค์การต่างๆใบ ย, ยีนาตินแปลว่าชัดแจง้งชัดเจนอัลลอฮฺกุรอานประทานลงมาชัดเจนเลยพี่น้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไม่ต้องอไรนะไม่ต้องสงสัยแต่บางอายาเนี่ยอัลลอฮฺประทานลงมาต้องตีความเดี๋ยให้ผู้รู้อุลามะตีความแทนเนี่ยพูเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นอุลามะในอนาคตนะเนี่ยอิชอัดแล้วนะ ต้องตั้งใจฟังอัลกุรอานแล้วก็อ่านกุรอา น, อานวิเคราะห์กุรอานแต่ละคําแต่ละคำที่อัลลอฮฺประทานลงมาอัลลอฮฺประทานองค์การต่างๆอัญชันแจ้งลงมาทําไมละอัลละกุมตะดตะกูลเพื่อสู่เจ้าละอัลละเนี่ยคำว่าละอัลลานะเป็นความหวังที่แน่นอนนะ um เช่นละอัลละกุมตัดตะกูลในเดือนอมาดลจะมาแล้ว คนที่ถือสินอดนี่นะแน่นอนเขาได้ตักวาต่ออัลลอ์อันนี้ก็เหมือนกันอ่านกุ้อ่า น, นที่อัลลอ์ประทานลงมานะครับทีละอายะทีละอายะละอัลละกุมตะจักการูนเพื่อสู่เจ้าจะได้ตะจักการ์บว่าซิกเก็ตนะแปลว่ า, วา ค, ควร น, นึกอัลลอ์ได้นึกได้ใช้ปัญญาได้สติปัญญาได้ไข่ควรแล้วก็นำมาไปปฏิบัติ ด, ด้วยคาว่าซิกเก็ตเนี่ย พอรู้แล้วก็นํำอาไปปฏิบัติด้วยในตัปสีอินโนกซีอธิบายดีนะพร้อมกับําลึกถึงอัลลอฮ์นั้นก็ต้องนําเอาความรู้ที่เราได้รับนั้นนํำอาไปปฏิบัติทันทีทันใดเลยสวสบ้านบีเรียนตัปสีเขนะาไ ม, ม่จะเรียนเยอะเราเรียนอย่างเรานี่แหละสองอายะสามอายะจะย้ายอายะใหม่นี่นะต้องปฏิบัติไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะท่องด้วยแล้วก็ปฏิบัติตาม ความรู้ที่ได้จากคุรานนั่นก่อนเขาเรียกว่าไงนะการกรา by, by, by doing, Quran, doing, รแปลกุรา น, นปปบายบ by d o i n g อิงท่านเทนเซชันุรานบายดูอิการแปลกุรานด้วยการนำเอาไปปฏิบัตินั่นเป็นการแปลคุรานที่อ ะ, นะ้รนะที่ถูกต้องที่สุดนะครับแปลคุรานบายดูอิงด้วยการปฏิบัตินําเอาเนื้อหาจากคุรานไปปฏิบัติจริงๆ พอปฏิบัติแล้วก็ย้ายต่อไปทีละสองอายะห์สามอายะห์แบบประทังอยู่วันนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะอาสรุปจากอุลแานอายะห์นี้ก็คือความรู้ที่เราได้รับจากอัลกุรอานนั้นเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาจากชั้นฟ้าแล้วก็พูดสองครั้งนะเราได้ประทานลงมาอันซัลนาอันซัลนาเพื่อให้เรามั่นใจว่ากุรอานนี่มาจากอัลลอฮ์สุภาในอุบตาแล้ว วาฟราร์ดตนนและเราได้กําหนดนะครับให้เป็นกฎข้อบังคับอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาฉะนั้นกุรอานนะั้นมาใช้เป็นอาซิมัตแขวนคอนะเนี่ยได้หมดได้ตีความได้เลยกุรอานมาใช่อาซิบัตแขวนแขวนคอไม่ใช่แล้วเพราะกุรอานเป็นกฎข้อบังคับสําหรับนําเอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันไซนาอุ ม, มัดอธิบายยังไงนะ สุรนี้ท่านเขียนจดหมายไปหาข้าราชการในประเทศกูฟาประเทศอิรักเนี่ยบอกให้ให้สามีเนี่ยบอกภรยาให้อ่านสุร้อนนี้เยอะๆะวันนี้เธอมีงานทําแล้วอ่านสุร้อนอะไรสุร้อนนูดแล้วก็รู้ความหมายมันแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วภรยาก็จะเปลี่ยนแปลงเพเปลี่ยนแปลงบ้านดีสามีก็ไม่หนักใจนะครับเนี่ยภรยาที่มีาศาสนาอ่านกูอ่านอัลลอฮฺอัลกุบะตสบายใจละหมมุลิลเลยนะครับ เอาต่อมาว่าอันจลนาฟิฮาอายาตินบบยนาแลเราได้ประทานอันกูอ่านนี่ลงมานะเป็นกฎข้อบังคับแล้ยังไม่พอเป็นอายาตินอธิบายความชัดช้อยชัดคำไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยกูอ่านลงมาทำไมครับหละอัลลกุมตะจากรูนเพื่อสู่เจ้าจะได้ ใข้ควรไม่ใช่เป็นอาซิมัแขวนคอนะต่องจตรงนี้้วยนะแลกอานนี่นะเป็นดอาด้วยนะปัญญารษาโรคได้ด้วยอัลลอักบดีไดีอัลฮัมดุลิลาอัต่อมาอายะที่สองนะอัลลอนิยะตุอัลลอนิฟาจลิดุลลาฮิดมินูมมอตัลด ولا َ ت َ أ خ ُُ ك م بهما ر ف ُ م في د ِ د ي ن الله إن كنتم تؤمنون َ بالله واليوم الآخر و َ ل ش ه َ د عذابهما َُ ط ا ئ ف َ ة ٌ من المؤمنين الله أكبر อาญาณีคนลูกน่ะกลัวพราะพูดเรื่องสินะอ่านมาอัลลอนิยะตุวาญีฟะจลิดูคุลลาวฮิดิมินหุมมิอัตจัลดาวลาตะซุคุมบิฮิมะรอฟตุมฟิดนิลลา อิงคุ م ตุมตุเมนุนับิลลาฮฺวันย์เยาว์ม์อัลอาอิร์วัลย์ย์ฉ ن ดอาดับหุมาท้อิฟตุมมินัลมุมินีอัลฮะมดุลิลลาฮนองอซานีะซานีว่าหิงที่ทชู้ ทำไมเอ่ยผู้หญิงก่อนอ้าวได้ขอคิดอะไรบ้างวุมะอธิบายไว้เลยนะสาเหตุที่เอ่ยผู้หญิงก่อนแล้วก็ผู้ชายที่หลังแสดงว่างานงานเจ้าชูเนี่ยงานทำบาปเนี่ยเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผู้หญิงไม่เปิดไฟเขียนผู้ชายกล้าไหมผู้ชายไม่กล้านะ ถ้าผู้หญิงไม่เปิดไฟเขียวก่อนเนี่ยนะผู้ชายไม่กล้าไอ้การเปิดไฟเขียวมนะันมีอยู่หลายหลายอย่างที่ตาบ้างาแสดงท่าทางบ้างอะไรบ้างนย่างวาใจผู้หญิงหมดเลยนะถ้าถ้าผู้หญิงเปิดไฟเขียวปั๊บผู้ชายจ้องอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายมันจ้องอยู่แล้วเนี่ยเพราะอะไรยะตาซาอาลูนะบีฮีผู้หญิงกับผู้ชายนี่นะมีความต้องการซึ่งกันและกัน แล้วก็ใครต้องการมากกว่าจากผูอัยะนี่อัจจานิยมผู้หญิงมากกว่าผู้ชายความเจ้าชู้นี่นะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะแต่ด้วยความอายอัลฮายาเนี่ยพี่น้องพอความละอายมันมาเยอะหน่อยมันก็เบาลงไปนิดหนึ่งถ้าไม่มีศาสนานะกำกับชีวิตนะโอ้โหอร่อยจริงๆฉะนั้นอัจจานิยเนี่ยเอ่ยใครก่อนนะเอ่ยผู้หญิงก่อน และตรงกันข้ามอีกอายาหนึ่งนะพูดถึงเรื่องขโมยอสซาลิกูเริ่มจะผู้ชายก่อนนะแล้วก็ซาลิก้าตู้ผู้หญิงตามมาทีหลังอ้าแสดงว่าคนที่ขโมยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่เรื่องเจ้าชู้เนี่ยใครมา ก, ก่อนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเห็นยังครับท่านนาบีเลยสั่งระวังให้ดีนะลูกสาวนะเราต้องเรียนนะดัซซูรนูดโจภพวเนี่ยอ่านซูรนูดเยอะๆนะ จะได้ลูกสาวเราจะได้มาเจ้าชู้นะครับอา้าวนิดหน่อยพอนะอัจานยตุแปลว่าหญิงที่ทาชู้วานีและชายที่ทาชู้ทั้งวันเลกทั้งคู่ไหมเล็ทั้งคู่แล้วก็บาปทั้งคู่ไหมบาปทั้งคู่ทงว่าสินาเนี่ยเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่เอาถามโรงเรียนนาเนี่ยบาปเล็กหรือบาปใหญ่ใหญ่แน่นะ บาปใหญ่ครับผมนั่งอ่านเมื่อคืนนี่นะครับมาจากบรรยายที่มินตังมานั่งอ่านอีกชั่วโมงหนี่นะผมสูบแล้วนะครับไปไประเจอนลออุลมามะเขาแนะนำอย่างนี้บาปใหญ่มีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบแปดข้อน้อยหรือมากร้อยห้าสิบแปดข้อถ้าหากเราไม่เรียนเรื่องบาปใหญ่นี่นะอลัลลอฮฺเราจะจะล อ, อยขนาดไหนอ่ะ แต่คนกาเฟสเนี่ยไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องบาปเล็กบาปใหญ่แตมุสลิมรู้นะพเพราะผมจะเตือนเลยวันนี้นะบาปเล็กกับบาปใหญ่บาปเล็กมีประมาณ40กว่าข้อบาปใหญ่ประมาณร้อยข้อซินาเนี่ยซินาเนี่ยอยู่ในบาบอัลกับาอัลาติตตตัลละกอบิลอัคลานะครับบาปใหญ่เกี่ยวเรื่องมารยาท บาปเป็นอย่างนี้บาปเกี่ยวกับเรื่องอิบาะดามีบาปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอัคติดะเรื่องความเชื่อมีบาปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องจีนะเรื่องการแต่งกายมีโอ้เห็นแล้วอุลามะละเอียดยิบเลยนะบาปเกี่ยวกับเรื่องอิบาะดามีไหมมีบาปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอัคติดะมีไหมมีบาปเกี่ยวกับเรื่องอัคลากมีไหมมี บาปเกี่ยวกับเรื่องซีนะเครื่องประดับการแต่งกายมีไหมมีครับเอามาพูดในเรื่องต่างอัลลัคบิลบิลบิลอัคราก่อนนะครับบิที่เช็คได้โอ้มีเยอะนะเอาแค่สิสข้อก่อนนะข้อที่หนึ่งอัจจินาบาปใหญ่เรื่องอะไรนะเจ้าชู้ทาซินาเราะฉะนั้นจะไม่ให้ทําซินาทําไงดีไหมต้องรักษาตาให้ดี ภัษาปากให้ดีนะี่ไอ้ทรงที่มันไอ้งานที่ทําง่ายน่ะทรงเฟซใช่ไหมแล้วก็ทรงไลน์ที่ตัวจีนาตัวตัวไวที่สุดเลยนะผมนึกถึงนบีมอสอัลลอฮ์สุลามวันนี้ท่านหญิงคอริยาเสียเสียชีวิตแล้วนี่นะแล้วต่อมาเนี่ยอัลลอฮ์เหมือนกับเสนอให้นบีแต่งงาน ญิบรี่นลงมามานั่งริมนบีแล้วก็ส่งห่อให้อพอเปิดห่อปับ๊บมันเป็นเฟซน้ะมันเป็นเฟซน้ะนบีนำเอามาชชยก่อนแล้วพอเปิดปั๊บเห็นหน้ายืนไอช่นานัยน์พิธะว่าอะไรนิกาเห็นไหมตกลงว่าเฟซบุ๊กเนี่ยใครเล่นก่อนอ้าวใครเล่นก่อนไอ้ารนอนอา น, นาทีหลังเมื่อหนึ่งพันสี่รอยปีเขาเล่น Facebook กไปมาแล้ว นาบีเป็นคนเล่นคนแรกเลยใครไปส่งส่งเฟซบุ๊กง่ายยิบบรีอะไรยิสลาบเพราะเปิดภาพเจอได้ยังไงชักแต่ง้นเห็ไหมอย่างนี้เป็นต้อนอันนี้เล่าให้ฟังนัิ น, นาอัจินาเป็นบาปใหญ่ต่อมาครับเรื่องรองลงมาชุบุลคอมรีดื่มของมืนเมาทุกชนิดอย่าบงยาบ้าบุลบุรีนี่เข้าหมดเลยนะอุลมามะยังปความว่ามักรู้นะอร้องนะ มัครูน่ตีความกลิ่นมันอย่างเดียวว่าเหม็นแต่ที่ไหนได้เ่ยตัวทำลายปอดทำลายตับอย่างดีเลยไปน้องเอาต่อมาครับร่วมหลับนอนกับสัตว์ม่อคือผมกลับมาเนี่ยคนขับรถผมมาอยัยูซุปเล่าว่าในอาหรับน่พวกโุดงสุดาเนี่ยห้ามเมียกันลำบากอ่ะอยู่กับสัตว์อรอเห้มันเนี่ย อิทิยาณุบาฮีมาร่วมกับสัตว์บาปใหญ่เลยค่าทั้งคนและค่าทั้งสัตว์ด้วยหนละเอาต่อมาครับอัลกีมาศการพานันเล่นเล่นการพานันทุกชนิดบาปใหญ่หมดเลยเอาต่อมาครับอัสซาริกรักขโมยอโลบาปใหญ่ใครนำหน้าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงต่อมาข้อข้อที่หกขี้เหนียวอัชชัอัชชัอัชชัพอตันนี้ขี้เหนียวพี่น้อง อ๋อคนที่ตอนนี้ขี้เหนียวสังเกตได้นะแม้แต่สลามมันก็ขี้เหนียวเดินผ่านก็นี่นะฉันไม่ให้สลามนึกว่าโก้เลยมึงอ๋อเราตาั้งใจจะว่างไงนะเองหน้าขี้เหนียวสลามก็ไม่ให้เดินผ่านอาจารย์มันไม่ให้สลามเดินผ่านของสองคนสลามไม่ให้สลามก็ไม่ให้ยิ้มก็ไม่ให้ถทำว่าลงทุนเท่าไหร่สลามเนี่ยเสียตังค์เยอะไหมกับยิ้มเนี่ยเสียตังค์เยอะไหม แม้จะเสียอะไรเลยจนขี้เหนียวสลามอ่ะก็สตังเลยอย่าไปหวังเลยจะได้จากมันแม้ใบหน้ามันยังไม่ยังไม่ยิ้มเลยสลามมันก็มาให้สลามเลยจะเป็นคนประเภทไหนเนี่ยคนขี้เหนียวจากนั้นเราเปลี่ยนนิสัยเราใหม่นะให้เป็นคนที่ทําบุญทําบุญทําบุ ญ, บญยิ้มยิ้มก็ต้องดูเหมือนกันมาจะเห็นผู้ชายมาจะ ย, ยิ้มผู้หญิงนะผู้หญิงกับผู้หญิงยิ้มกันเยอะๆดีผู้ชายกับผู้ชายยิ้มกันเยอะๆนะ ต่อมานะครับอัลิสติยการเยอเย้ยเยคาวระวังบาปใหญ่เยยเสียงอารบาปใหญ่เยยุอานบาปใหญ่เยยมุสลิมมยาบาปใหญ่โอ้เยอเยยนะครับต่อมาครับอัลซุลมอัริยารยกอโออวดโออวดนี่บาปใหญ่นะอ้าวโออวดทยงงี้ชภาษาโออวด ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพูดใหม่นะมีแขกมาบ้านอ่านี่มีตรตกตซิดเราเนี่ยมาสิบประวนไปเที่ยวบ้านบ้านคนหนึ่งก็ต้อนรับอย่างดีเล้วช้าช้ภาษาพูดแบบนี้นะนี่โอ้อวดนะอย่านำมาไปใช้นะพูดอย่างนี้แม่บอกกับลูกลูกเอยลูกฟาติมาอะไรเงี้ยไปหยิบอินทผาลามทัมทีมะซื้อมาจากมกะกแล้วก็ถ้วยนะลูกนะ ทิมาซึมาจากมังกาปีที่แปดเนะ่เมื่อตอนไปทำพายข้างที่แปดเนะ่เอาถ้วยันออกมาแล้วก็มาใส่อินพรพลามเอามาเลี้ยงแขกนะเพราะมีอาจารย์มสสาสาสนาธรรมมาเยี่ยมที่บ้านภาษานี่อวดหมดเลยดูวาทาไมทำไ ม, ไ, มไปมังกาก็พอไหวพอกำหนดปีที่แปดปั๊บนี่แสดงเองใจไม่สะอาดแล้ว ต้องการที่จะต้องการอริยะต้องการจัดแสดงให้รู้ว่าม้าเนี่ไปมากร า, าละแปดครั้งปีครั้งที่แปดนะ่ยซื้อถ้วยมาเนี่ยเราก็อาศัยอินทรพารามมาแจกมาให้กับแขกที่มาเยี่ยมบ้านน้อยนี่อริยะพี่น้องอริยะนี่เป็นองค์กรมันทําลายความดีที่ทํามาทั้งหมดนะ่ะอา้าวเที่ยวรับแสนแปดแสนแปดนะแปดเที่ยวเท่าไหร่เงินเป็นล้านนะ่ะหมดเลยอะอ้าวเพราะฉะนั้นเป็นองครับ ถ้าเราเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาราชาหนึ่งไม่กล้าที่จะคุยโอ้อวดอวดใครสักคนหนึ่งน้มุงน้ำมาก็ไม่กล้าอวดแล้วเพราะกลัวเพราะว่าเป็นบาปใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาต่อมาอีกข้อนึ่งก็มีอเอาแค่สิบข้อนะอัดรุลมะอธรรมทําความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่าทําข้อที่สิบก็คือขยานะหักหลังหรือคด ค, ด ค, ดคดโกกันนี่เกี่ยวกับเรื่องอักลากอาต่อมาเรื่องอะไรเรื่อง เรื่องตะตะอัลลัคบิอัตีนาเรื่องความเชื่อมีอะไรบ้างหนึ่งชีริกบาปใหญ่สองปฏิเสธอายาหนึ่งอายาไดจา ก, กุลอานเป็นบาปใหญ่ข้อที่สมอริดอบีรอยร์อิสลามไปอะไรนะไปพึงพอใจกับคําสั่งที่ไม่ใช่อิสลามอาัลลอลลอฮ์ไม่ได้สั่งจะไปพอใจเช่นอยู่อย่างไงแบงมารดบอย่างเงี้ยอัลลอฮ์สั่งให้ผู้หญิงสองส่วนผู้ชาย ไอ้ผู้ชายสองส่วนผู้หญิงส่วนหนึ่งไม่พอใจไปขึ้นศาลน่ะศาลนะ่แหละคนกาฟเฟตตาสินเนี่ยค น, นนี้เปนทำบาปใหญ่นะต่อมาครับต่อรอฮะมาอังซัลรอไม่พอใจเสียงที่รอประทานลงมาจากชั้นฟ้าไม่พอใจเลยเรื่องผู้ยุ่งหิยาบเนี่ยระวังกันดีเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดนะอัลอิสติจะบิดดีนหัวเราะเยาะงาศาสนาของอัลลอ์เยอะหมด ต่อมาครับนุสวาตุลกุฟารอัลมุสลิมีนช่วยเหลือคนกาเฟตทําลายมุสลิมนี่ปะมีครับช่วยคนกาเฟตทําลายมุสลิมนะครับเอามือของคนกาเฟตไปทำลายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองข้อที่เจด่าท่านนบีอย่างที่เราในประเทศเลยนะอ่านทำเช่ฝรั่งเศสใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาครับด่าซูฮบานนบี เห็นไหมด่าซอบา้านน บ, บีกลุ่มไหนพี่ต้องรู้ใช่ไหมล่ะมาตองเอ๋ยก็ได้ใช่ไหมด่าซอบา้านน บ, บีอบดุบคารุมารอุสมานจาก阿ยกเวรนแล้วก็ซัลซัลซัลมาลฟาริซียกเวรนมีอยู่สอสามคนที่ยกเว้นนอกนั้นถูกด่าหมดอ้าวคนที่ด่าซอบา้านน บ, บีเนะี่ยบาปเรื่อง่บาปใหญ่บาปใหญ่นะครับแล้วต่อมาครับยึดเอาความเห็นของคนแทนสุนนนะน บ, บีโอโหละเอียดยิบเลยเนี่ยนะทัศนะของบุลุมาเนี่ย มันก็มี น, นะนะอรรถเมตตานิโรกุละมะเนี่ยบีไม่มีเอาไวสอนพวกเราเข้าใจศาสนาแบบง่ายๆแต่ไปยึดทัศนะแล้วก็ทิ้งสุนทรนบีเห็นไหมอ่าเช็ดอะไรบ้างอย่างเนี้ยมิสบูชาบานเนี่ยฮัดดิเก้ทั้งนั้นเลยแต่ไปยึดแตมาปฏิบัติส่วนบวชเจ็ดวันแปวันสิบวันไม่มีใครทำอ่ะอย่างนี้เราว่าไดีนะเป็นบาปใหญ่นะครับอาต่อมานะข้อที่สิบ ชอบทำงานที่เป็นบิดาเป็นบาปใหญ่นู่นคนที่ทำบิดาเนนะ่เป็นอะไรมอัลล์ไม่รับตาบ้านนะไอัลล์ไม่รับตาบานะต า, าตัวอัลล์ฉันอัสตุรุลลอฉันขอตาบานตัวตัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับนะถ้าหากยังไม่ทิ้งงานบิดาก่อนทิ้งบิดาเมื่อไรถึงอัลลอฮ์จะรับเตาบ้าของคนคนนั้นนะครับต่อมาข้อที่11เอัลฮะลับบลัรลคนที่สาบานอื่นจากอัลลอ์เป็นบาปใหญ่ ต่อมาข้อที่สิบสองอัตถิธิบิลกดัดไม่เชื่อการกำหนดสภาวะของ الله. อัลลอฮ์อย่างตัวเองขอบไปถูกรถชนขาหักแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแบบใครนะกอรูใช่ไหมคุยว่าตัวเองนั่นความรู้บ้านช่องที่ได้เงินที่ได้มาด้วยปัญญาและสมองตัวเองนี่เป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์สูบให้นดินสูบลงมาอยู่ใต้ดิ น, นต่อมากับอัซิฮุ เล่นสยศาสตร์ชอบไปหาหมอดูเป็นบาปใหญ่ต่อมากรับอันอัลอีมานบินนูจุมเชื่อเรื่องดาวถ้าดาวดวงนี้บินผ่านมาหรือว่าโคจรมาใกล้โลกแล้วจะเกิดปัญหานั้นปัญหานี้นนอ่นุนังสือพิมพ์สิไทยรัฐนี่ยเจอเต็มเลยทุกหนังสือพิมพ์เลยวันจันทร์เป็นอย่างไงวันพุธเป็นอย่างนี้เองวันพลหัสเป็นอย่างนี้นั่นเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดมุสลิมทําไม่ได้พี่น้อง ข้อที่สิบห้าตัสดีกุลกาหินเชื่อหมอดูหมอทำนายทายทักอะไรเชื่อหมดเลยไปน้องข้อที่สิบหกตาลีกุตตมาอิมแขวนของถลังแผนอะไรแผนอศัศมัดง่ยแข ว, น น, ขวนนู่นแขวนนี่โอ้นี่เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดต่อมาครับอันนิยาฮะคนมีคนตายเรวร้องให้จ้างคนมาร้องพี่น้องเราไม่เคยเห็นบรรานะในอินเดียเยอะมากเลยจ้างร้องเลย แล้วคนั่งโมงน้ำตามันไม่ไหลอ่ะนะมันมันได้ตังค์่ะมนร้องมันได้ตังค์กันอัลตอมาข้อที่สิบแปดนะครับดาซอฮบนานนบีข้อที่สิบเก้าอัลฮุกมมบีร้อยดีมาอันซาลลอ์นะครับหลักการที่มาจากราประทานลงมาไม่เอาแต่ไปเอาหลักการที่มนุษย์ตั้งขึ้นมานี่เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดนะพี่น้องเอยทั้งหลายอมาดูตัวอ่านนะครับ อานีญาวาจานีหญิงชูหรือชายชูทำไงครับฟัจจิลีดูจงโบยจงตีจงเขียนฟัจจิลีดูมาจากยินดุนแปลว่าหนังคือตีให้เจ็บด้วยนะไม่ใช่ตีเบาๆตีให้เจ็บตีเท่าไรมีอะกุลลัวให้ดิมมินหัวมาทั้งสองคนนี้อ๋อนะครับทั้งสองคนเลย เท่าไรมีอะมีอาแปวเท่าไลวันพันเรศแปลว่ารอยหนึ่งอังกุฎมานี่มาชาเมืองไทยได้ไหมได้หรืไม่ได้ไม่มีสิทธิ์มันไปฟ้องตำรวจถูกจับขึ้นคดีเ ต, ต็ไมไปหมดเลยไไหมแต่รู้ไว้นะคนที่ทำดินาเนี่นะต้องถูกโบยเท่าไ่นะรอยทีอ่ะต่อมาครับวาลาตะคุรกุมบีมา ราะฟ้านี่แปว่าสงสารฟีดีนิลในบัญญัติในาศาสนาของอัลลอ์หมายความว่าเวลาตีลงลงโทษเนี่ยจงอย่าให้การสงสารแก่ทั้งสองยับยั้งท่านนะครับตามพระบัญญัติของอัลลอ์เวลาเคี่ยนเขาตีเขานี่นะอย่าไปต้องสงสารแต่พุกเราคุตีไม่ได้ครับ ก็มีค่าราชการเฉพาะเลยใช่ไหมล่ะเอาไว้ตีในอินเดียมีในไมปากคิสถานมีในซาอุดีมีจับได้ว่าทาศีนาจริงทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเขาเขียนนะรอยทีแต่ท mm hmm. ีบางคนฉลาดเอาไม้มารอยอา่านตีครั้งเดียวปุ๊บอ่ะอย่างงี้เจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เจ็บเบนี่ยใช่ไหมล่ะ mm hmm. สมัยนู้นสมัยนบีอะไรนะ <laughs> น บ, บีอายุ่ะใช่ไหม อันนั้นอัลลอฮ์สั่งมาเฉพาะใช่ไหมแต่สมัยนี้ต้องเคี่ยนจริงจิง้นประเทศที่เคี่ยนก็มีซาอุดีนะเขาทำกันอยู่มาเคยเห็นใช่ไหมเห็นไหมเอาต่อมาครับอิงกุลตุมฟีดีนิลาเนี่ยข้างว่าดีนิล่าภาษาสนาของอัลลอฮ์นะเนี่ยในพระบัญญัติของอัลลอฮ์ในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ตีก็ต้องตีนะครับแต่ี้พอเอากฎหมายนี่มาใช้ ย, ยุโรปขึ้นมาก่อน เองนี่อ่าไม่มีอะไรมนุษยชนมา่าภาษาเสียหายหมดเลยเาใครที่เชื่อมันก็หลงกลไปนะครับแต่ไม่เชื่อก็ยืนหยัดของเราต่อไปนะครับคนค้านมีไหมอัลลอฮ์คนค้านทั้งโลกแล้วพี่ น, น้องอิงกุลตุมตุ ม, มินนเนบิลท่าสูเจ้ามีอิงด้วยนะท่าสูเจ้าอิมานต่ออัลลอ์และอิมานตอวันอาคิถทำไมต้องมีสอง อัลลอ์และอาคิรอคู่กันเพราะว่าถ้าเราเชื่ออัลลอ์แล้วก็ต้องตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ในโลกอาคิรออีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัลลอ์ก็จะประทานความเมตตาให้วันยัชัดยัชัดแปลว่าเป็นพยานอาซาบาูมาเวลาเราลงโทษเคียนเขาเนี่ยนะตออีฟาตุนดว้วยคนหมู่หนึ่ง มีนั่นมุมินีนมาเป็นพยานคนมุมินเอาคนมุมินนั้นมาเป็นพยานโอ้เห้ยไหมให้คนมาดูเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจากกุณอนานอาญานี้สอนให้เราว่านะเราต้องดูแลลูกหลานของเราให้ดียังให้ลูกเราไปทําสินาเพราะโทษของการทําสินานั่นเป็นไงนะถูกลงโทษ ด, ด้วยการ เคียนเท่าไรนะร้อยทีแล้วก็ไม่ต้องมีการสงสารใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เรียกคนมาดูเยอะๆพายไรนะให้อาบอายให้คนดูนึกด้วยโอ้พราหลายคนพอดูเขาเขียนมาเนี่กลัวหมดเลยนะผมไม่เคยเห็นนะเด้จากเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าไปยืนดูเขาแล้วเนี่ยกลัวมากเลยเพื่น้องเอาสรุปเพื่น้องเรียนแค่สองอายะห์ท่านี้นะอะสรุปสั้นๆก็คือว่าให้มุสลิมเนี่ยอ่านสุรานี้เยอะๆ ดีได้ไมด่ดีดีพ่อแม่ที่ลูกอ่านสุรนีเยอะๆนะเบาไปไม่ต้องเหนื่อยเยอะพ่อสอนหลายเรื่องสุนัสุรนีนี่จะเรื่องแรกกับขนลุกแล้วเรื่องสีนาลลานี่แล้วอ๋อวากบาทจะได้พูกเธออ่านสุรานีดีๆวิธีปกป้องสีนาปกป้องตาสายตาก่อนเวลาเจอผู้หญิงสวยๆให้ทำงานให้มองได้กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งที่สองไม่ทำง ลดหรือจ้องลถผู้หญิงก็เหมือนการเจอผู้ชารูปรอเดินมาครั้งแรกในทําไงมองได้ครั้งที่สองในทำายน์ลดหรือจ้องลถนะแน่นะอ้าอ้แน่แน่ต้องลดต้องลดไม่ใช่จ้องมันชินจ้องอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์นี่มันใครอย่างนี้ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ย่างอับซุลนะเลาะหมีดตัดมือเอาจ้องมองผู้ชาย ระวังระวังระวังนั่นเป็นสีนาทั้งหมดแล้วก็ไล์เฟซอย่าเล่นเยอะเข้าใจนะอย่าส่งเฟซอย่าส่งไล์นะครับอย่างนี้เป็นต้น a n g l a wa b i h a m a s h o a i n t a a s t a g h r w i i l i k Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh